<P ure ch ata> ปุเรชาตะปัจจัย93สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสเป็นปัจจัยและสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นแจ้งโสต หาทายว Resident, ัตถุโดยเป็นสภาว wow ะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุฟังเสียงด้วยที่ประสงทธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแกจ่จักขูวิญญาณโผฏฐายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณด้วยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขัน ที่มีเหตุไม่ต้องประหาร yeah. ด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาและโมหะโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทายวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยปุเรชาตะปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยปเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะุเรชาตะและวัตถุปเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทายวัตถุเพราะปรารพความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทัศจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นวัตถุปเรชาตได้แก่หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปเรชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคแมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจักสุหาทายวัตถุขันธ์ที่สหรรคุด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ที่สะหอระคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยปุรเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามโดยปุรเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารม ณ, ณะปุรเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ รอบร้ารคจากสุขภาทายวัตุขันที่สหรโคด้วยอุทัจจะและโมหะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคด้วยอุทัจจะและโมหะโดยปุเรช า, จจชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยข้าสิบสี่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก และมักเบื้องบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดฟอนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะ ได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวเพอปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ<ภ>์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่กลายนี้ที่เกิดก่โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่คลายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ ขันที่สหระโคด้วยอุทักษะและโมหะเป็นปัจจัยแก่คล้ายนี้ที่เกิดคลอนโดยปัจฉาชาติปัจจัย๕เสวนะปัจจัย๙๕สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอาเสวณะปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเกิดคลอนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค ซึงเกิดหลังๆโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่โสระโคด้วยวิจิกิช้าซึ่งเกิดกลางก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่เกิดหลังๆโดยอาเส ว, วนาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหาร GUY ด้วยสโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยสโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สาะรคอด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เสหะรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังและโมหะโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามย่อมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามในวาระที่มีอันเสวนปัจจัยเป็นโมลวุทธานะและอวชนะจิตพึงละไว้สิเจ็ดวาระบริบูรณ์แล้วเหมือนกับอนันตรปัจจัยกรมมปัจจัยเกสห สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สามปยุจัขัน์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสามโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่าง เพ ส, สหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก er, ่เจตนาที so. ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแขกสัมพยุตตขันโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเกสจสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสัมมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยจจุตขันธ์โมหะและจิตตสัมมุทฐานรูป โดยกรรมปัจจัย98สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างเผอสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สามปยจจุตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและด้วยมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกะตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย99สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยวิปากระปัจจัยทั้งปวัติการและปฏิสนธิการขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่หาทัยวัตถุอาหารรปัจจัยหนึ่งรสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่ อาหารที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสด า, าปฏิมาคเป็นปันจจัยแก่สัมยุญตักขันโดยอาหารับปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบื้องบนสามโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สัมยุตธขันธ์โมหะและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามมีสามวาระ เหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต the oh ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตะสมุทานรูปโดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะ กวเลงกระหานเป็นปจัจจัยแก่กนี้โดยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยเป็นต้นร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาวปฏิมาคเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาวปฏิมาค โดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับอาหารปัจจัยพึงเพิ่มโมหะเข้าด้วยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสา ม, มีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ อินทรีย์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันจากผลสี่เป็นปัจจัยแก่จากโหวิญญาณกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายย่าวิญญาณรูปปัจชัวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยพึงอทำปัจจัยเหล่านี้ให้เป็นปัจจัยที่มีเหตุ เป็นปัจจัยโดยสัมปยจจุตปัจจัยเหมือนกับสัมปัจจุตวาระในปฏิจจวาระวิปยุตตปัจจัยร้อสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื่อบนสามโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะเหมือนกับทัศนติกะ สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยวิบยุทธะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะเหมือนกับทัศนติกะสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาม โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะเหมือนกับทัศนติกะปัจฉาชาตาได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัก โดยวิยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่พาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโดยวิบยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่พาทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบืเ้องบนสาสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมครมคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หะทะยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจช้า และโมหะโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวเกิปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรฆด้วยอุทจจะและโมหะ โดยวิบยุตตาปัจจั้อยส า, ามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสาโดยวิบยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่ข <te> ันธ์ที่สะหรโคด้วยวิกิกิจชาและโมหะ เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่โสรโคด้วยวิจิกิจชาและโมห oh ะเป็นปัจจัยแคลไลนี้ที่เกิดคลอนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรและมรเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรและมรเบื้องบนสาม โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ขันธ์ที่จะห่อรัโทษด้วยอุทจฉะและโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่จะห่อรัด้วยอุทจฉะและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้นร้อยสี่ สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่าง สหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันที่จะหัรโคด้วยวิจิกิจชาเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเลยมักเบื้องบนสาโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันหนึ่งที่สะหรรคด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่ขันสามโมหะ และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามีมสามวาระร้อหสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยอธิปัจใจมีหอย่างคือสหชาตะาปุเรชาตะปัจฉาชาตะ มาหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรม โอเรชาตาได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักษขูฟังเสียงด้วยที่ประสตถาทัตรูปรายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจักขายตนะกายายตนะภาทยวัตถุเป็นปจัจจนะัยจแก่ขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม และโมหะโดยอธิปัจใจปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามและโมหะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยเป็นอธิปัจใจเกาลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้รูปปัจชิวิตินรียเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแ่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โมหะที่สหรครด้วยวิจิกิจชาเป็นปัจจัยแฉ่สัมพยุตตขัน์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทายวตถุเพราะปรารุ ค, ความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นธูมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้นผาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปัจใจสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม โดยอธิปั จ, จัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โมหะที่โสรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันโดยอธิปั จ, จัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทัยวัตถุหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยอธิปั จ, จัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่สหรูปด้วยวิจิกิจชาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยอัิปัจจัย บุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุขขันธ์ที่โสหรู้ขด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบหทายวัตุหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่โสหรู้ด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอธิปัจจัยสภาวาธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เลยมักเบี่ยงบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุขขันที่สหรรคด้วยอุทจจะและโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบภทายวัตถุ หาทาวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่โสหรคตด้วยอุทจจะและโมหะโดยอธิปัจจัยร้อยหสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและหทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองขันหนึ่งที่สหะรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่คันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมารและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันที่สหวรโคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะ เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหะรโคด้วยวิจิกิจฉาและหทายวัตุเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหะรโคตตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจ oh จัยแก่าตตกาย oh น, นี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและเปรวิริงกราหาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ครั้นที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและรูปปชีวิตตินสีเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและฮาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและโมหะโดยอธิปัจจัยขันสองขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปั จ, จัยขันสองและโมหะ สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบืกก้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบืกก้องบนสามเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยย่อมีสามวาระพึงจำแนกโสดาปฏิมรรคขนพึงกำหนดบทว่าอุทจจะไว้เป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนร้อยเจ็ดเหตุ ป, ปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระ มัทิติปัจจัยมีสิบวาระอานันตระปัจจัยมีสิบเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีสิบเจดวาระสหชาตระปัจจัยมีสิบเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนิจยปัจจัยมีสิบเจดวาระอุปานิจยปัจใจมียี่สเอดวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระปัจชาชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเจวะณปัจจัยมีสิบเจดวาระ สรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสิบเอดวาระวิปยุตตาปัจจัยมี9้าวาระอัติปัจจัยมี17ดวาระนัตติปัจจัยมีสิเจวาระวิคตะปัจจัยมีสิเจดวาระ วิคตาปัจจัยม10ีสิบเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระร้อยแปดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยร้อสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอารมณปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย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 โดยอารมณะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย1ิบ ส, สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปั i, it, more, through, kingdom, itself, mulher, จจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมะณะปัจจัยสาหะชาตตาปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและปุเรชาตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิสีตปัจจัยและภูเรชาตะปัจจัย 11. อสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค โดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยในข้อนี้มีสหาชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยเจือปนกันอยู่พึงทาตามพระบาลีในการนับไคร่ครวญแล้วจึงนับสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัค และมักเบื้องบนสามมีห้าอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะแม้ในข้อนี้มีคำว่าอารมณะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยในพระบาลีไม่มีเมื่อจะนับพึงไคร่ครวนแล้วจึงนักสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่ Led สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยอรมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปนินสยปัจจัยในข้อนี้สหชาตตปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยมีวาระเจือปนกันอยู่พึงทาตามพระบาลีรอยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 และอุปาณิสยปัจจัยแม้ในข้อนี้สหชาตะปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยมีวาระเจือปนกันอยู่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระ และอินทริยะแม้ในข้อนี้ก็มีอารมณปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยอยู่ด้วยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที ah. ่มีเหตุต้องประหารด้วยม yeah. ักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยแม้ในข้อนี้สหชาตตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยก็มีอยู่ วาระที่แท่านไม่ได้เขียนไว้เมื่อจะนับในพระบาลีก็จะไม่สมกับพยัญชนะวาระที่ไม่ได้เขียนไว้ในพระบาลีมีจำนวนปรากฏอยู่ถ้าสงสัยพึงพิจารณาดูในอธิปัจจัยในอนุโลม